ข <strong> ึ่นแต่จะช้าหรือเร็วนั้นมันก็เหมือนกันกับเราปลูกพืชพันธุ์ต่างๆอย่างตูดผักตูดกก่อนในชีววิทยาชีววิลานันก็แคเก็บเกี่ยวกินได้ผักตน้ำข้าวขาวเนอย่างนี้ก็เป็นหลายปีแต่มันจะโตออกผลแต่มันโตจะไดออกดถ้าเป็มในต่าง ในเกิดผลให้ในวันเดียต่วันหนึ่งมีความดีทป่เราสร้างผลในใจใจของเราก็ทํานเดียวกันในวันเด้แต่วันหนึ่งมันจะเกิดผลนี้ของในใจใจจะทำงานเพิ่มมีหมายถึงทำนะอตเนี่ที่เราสอเอาไว้ว่าไรมีตจปของังตนทุกคนจับฐานความดีเหนือนยันได้ตาเกิดอยู่ในรัฐศาสตร์แนี้ บางครัจะได้เกิดในสถานที่เหมาะสมบารัอยากจะไปเกิดในสถานที่ดีมีความสุขตลาดถึงวันตายก็อยากจะแต่งเขียวคนงงงามภาเป็นหญิงกอยากจะเป็นนังงของโลกของจักรลต่บางอย่างพเป็ยก็อยากจหลายเสียวงามหญิงผัวใจหญิงเขาอย่างก็ชอบใจ เขายินดีฟังฟังว่านี่คที่เกิดนัญหาบาดแผลอย่างนี้เจอเดายาวแล้วโลกนี้จึงหนีหนี้ฟังทั้งทีเกิดในคนเดียวกันต่าคนเดียวกันนม่คนเดียวกันบางท่านบางคนเกิดมาเส่งช้าเหม็นจสากอกน่าตาเกตดสนี้สีนี้ทั้งที่แค่หนี้บาดแผลตจอของเขากป็นบาดแผลนี่จะยิ่งเขาตามจิต เขาา็แยไ่ด้หางทีเป็นอย่า้นะาต่างไยงไมันเ้อนงโนี้่มอะไรที่จะคิดแต่่างกันน่ต่เสี้งเดกคนเหนือและคนหน่อยป็นจะต่ก็นี่คนนั้นตาคนนี้มันเสี้ยงยังไงาต่างคนตางต่างเแต่เหมือนกัน่ป็นห่ไเพราะาก็ต่างแล้วมเหมือน มน จ, จ, จนึงจิตใจแตกต่างกันบางคนนี่เนอไปเป็นัางคนนี่เเ็จำเนาเคยเอะนาหลายใ ก, วกว็ผิดสันจิตใก็กผิ ด, ดหหกันนี่แสดง่าเรื่กงของันที่ทำานะนี้ยมันผิดกันผิดถึงมนุษย์ผถึงเกเที้กศเทพีดาไรเเห็นนั่นก็อีกอย่างนึงเงิเห็น แล้วีตาคิดพอจิตยังไม่เนที่เ่านั้ก็มีความสุความทกขิตแต่แต่ต่างกันมีอนหนึ่ด่าจึงนี้เวียนกันตสะสมเอาไว้นามีต่างกอีกนึ่กันบริสัทธ์บนิวจิตแต่แต่ต่างกันปราที่พระคืออาศัยจถึงต่างรักหนึ่งกันเพราะกรรมจิทก็เอาไว้แต่จิมีแต่ผุดถึงเามาได้เห็น แต่เงินก็เิมไปเหมือนเหมือนเราเติมถี่มีตกกว่ามีเติมถี่มีทุกกว่ามีเติมถี่ถี่ยิ่งถี่เหลือกว่ามีเติมถี่เสียสนุกเงินก็มีเติมถี่นเต็มถึงจนต็มถี่จนด่าแก่เโลกอันนี้มนเต็อย่างเพราะอะไรเพราะหล่านั้นเขาตนทางกจากผนหรือให้วเงนทองตั้งการจากผนแต่เกิดได้ยาล่าเขาจึงอดด่ายากเตมเพาไม่มีปัญที่จะแสวงหา เขาไม่มีว่าคนไหนที่จะด้ท้าของที่มีค่าเขาจึงอด็นกลวอ่ามีอย่างนี้ถ้าไม่เคยตั้งใจแต่มีในไม้ได้เพราะกวามเขาือสะมเอไว้จะก่าก่อนมันน้อยมันเนื่อม่เกิดเป็นมนุษย์ด้แถวนั้นแต่กดีขตัวต่างเไว้มันเหนื่เป็นเวีนให้มันจึงอดอากอยาจนฉนก ฉนั้เราทุกข์นเิดมาตาดานะดีเพราะคนเกิดมาตัดเปิดมาหนือยังอึสาชีวิตตันแห้งเงียบจบบริสุทธดแล้วความเกิดนั้นถึงจะไปติเศษอยู่ตลอดวันตลอดเวลาปากขีงจเดนตามหลักตายลมันเสร็ตายแ่นอนมีอะไรจะไปเกิดนั้นก็เิดอยู่วัย่างขึ้น เส้นนี้เก็ดกันอยู่ที่ันที่เรองน้มันมาจากหนทามีเปิดมันจะมีสัตว์อยู่อนูโลกอยูไม่ต้องมเปิดอย่างีขีเหลวัญหมีเชื่อในจิตในใจเท่านี้มัน้งเกิดอย่างนี้การจิตสะสมอะไรมีหเสนแกเขามีเชื่อผิตแกกต่างกันอย่างที่อธิบายเนี่ ว่าต่าเทนะความสุขความสาาเทนะสุดหลังเฉลีงานต่าเนสุขปัญญาวิชาควารเฉล่ยฉลาดเาก็ใ่คุณทำดีเองสิ่งไดที่จะทำเหเราเป็นคนหลังเ่งเฉลเ่นั้นท้าตรสนาทสอเอาไว้หมดมีมีอะไรจิดบังอัาใดหากเราเฉลีใจเราใจคอสิเดไข่คิดติดใจติดสาบเราจึงควร ืที่เจรินมาลักคนเกิดมาเนื่องจากตัณมีตัณเป็นของทั้งตนมีตัณเป็นเพื่อเหตุผลจะสึกทุกข์ดีชื่อเพราะตัณเหตุผลมีตัณเป็นความเกิดในตัวมีดีดายในด่ายนั้นเปนเนอิดีดายในดานึ่งะกะอาศัยถ่ายนั้นถ้ามันมีจิตวอกวาสังเหรอจะนัเกอาศัย ในมนุษย be be we ์กเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดไม่ได้มันจะต้องเสเกิดกับหนูกับแม่กับสัตว์เว่าถานกันนี่ยนอย่างนี้ก็จเกิดในรอววะผิเสียผิวเสียเพราะคมดีหรือไม่นใจเรื่องตัวไ่ที่เชื่อผใจนต่างๆเนี่ยมันมอันหนาสายหน้าผัดบันจิตใจขเกี่เราขึ้นเนีเกิดในถานคื่าง เนสิทธิในทกต่างกันอย่างัวนเราวายสีนที่โยนใส่ใจก็ณีสามาอที่จะไปทำตามเชื่อต่างๆในมาเพราะการี่ทีทำลงไปเหนือศูนย์เสียจนทั้งหมดอย่างนี้นในทธิทำเอาสี่ทีเชื่อสี่เท้าวัดทางศาสนาที่ว่าเป็นแบบมีอุปตตรความจะดออยู่ใมแบ ทาดักเตียดดักแล้วก็นักธรชื่เสียเมื่อนความเชืความเสียต่างความเชืความเสียจะเกิดขึ้นมาเมื่อคนจะเป็นขึ้นเป็น่างไรนั่นก็พอที่จะยืดมื้อไถ่จะชิดมือมือจิตมืใจเหยื่อไส่เนใจทิดเสีสัตว์ควรงานควาดีทะเยอนขึ้นไป คมีกรรมเป็นของขึ้นนมีกรรมเป็นเจอเจือมีกรรมเป็นเลียนเกิดมีกรรมเป็นเจืิตตาไม่ใช่มีดาวนอนราศีอยากตาเถืด้วยหลุดังแล้วมีภระยาจิตตามีกรรมแผ่นนั้งเป็นหัวจิตตาเป็นพวกของขวัญสูงของเราเราจึงควรสะสมกรรมดีเอาวจะเสริมบ่าถนัดในการเกิดต่อไปของตัว ควาเดีนั้ น, าานาาทางศาสนาสวยห่ก็คือศีลคือานศีลภาวนานี่เป็นสกส่่เห็นยว่าศิลยาวัตรถุคือ่งที่ะนำความศึกมาใหา้ทาอกันาเสียสละเข้าวางเงินทางที่อยู่จะเหลือเ่อเพอนอื่นจะไม่เลยอย่างว่ามีเท่าไร ตลอดหมโเาที่จะ่อเข้าเหาเขาได้หรือด้หรือคือใดจะทำไปนี้ทาหเราให้โดยการเลื่อนสายโดยกาเต็มใจมันเกิดเกิดเกิดสายขึ้นในจิตในใจเราได้นิดนแต่เรามีอานาจอย่างนี้โดยเชื่อข้สงสัยเชื่นนี้ยื่งเกิดไปเลื่อส เป็นใจจป็นใจเหรเป็นคุณที่ดีนิสเดชมีวาเลื่อมใสคนเ่อไปเขาสรรเสริญเดนยอยากให้หมดี่เลสปัญหาเป็นมิตรนามบุทของโลกเราได้เอาของจริริไปถวายานแถวนี้ท่านรับให้เรามีความเลื่อมไสมีความปนใจมีจิตอิ่ม่จิดในใจของเรานหลงเขาขโมยส เราให้เด็กจับตาของเราในใจมีใจในความเป็นใจอยู่ภยในหรือเราในตาเวาทันต์ตัวเหมือนกันจิตใจเขเยมีจับตาในความเปใจอย่างนี้มีสุขมีนสดายมนเป็นทุกข์แล้ลกนุ่ได้การเล่าเสมอได้ใจมันก็เดือดไ้เยเฉ่อยในงายง่ายใส่หมายเพราะการทำความดีทั้งตัวเพราะการเสียเหรอทั้งตัว คือารหตุารณจะเป็นบินเป็นตเคนจี๋สะสสมแต่ทาททานเอาไว้เกินเลยถ้าใบครบใบคนนั้นจะไปอดดากอาสเพาะเทั้งทานที่ตัวสะสมเอา้วอยู่ดรอกวนให้กก็เกนเลยตะเกงที่ดีมีตนหนักมีผลมันเป็นอย่างนี้ เหม็นของทานัดมีมากกว่านี้นตัวเตเท็จเท็จใช้จ้าใชยืนไม่เดยแสดงหงอะไรสมบัติทีเกต่างกนเกิดมมีมาไหลมแต่ทั้เกิดเป็นมือ้เ็นะที่ดีมีสมบัในอดอยากอยากจนถึงจนถือาษนะของสืขที่ยันดาวตาเกิด ทำเพื่อสะสมแต่ทำมันเพิ่มเอล้วเหยื่อทางในหรือทางในบารมีสะสมเอล้ว้ใยจิตห่จะที่ไหนตั้อะไรเลาว้เอยนั้จะเป็นของคลองตัวเพาเป็นตั้งทีราทำไปคืนการักษาตายาด้จากของตัวในทเชื่วเสียแห่จิตจากคน มืกวกาความเหนือยมือไหว้ตาเหีืองินเกิดนเลยบดขาบใดจะเป็นหิงก็ตามเป็นชายก็ตามคนที่มีขีนรักษาขีเกิดเงินจะมีหน้าตาเียเงนจะใจากโรคไข้ไทเจ็บเน็ตเป็นไข้อดๆแอดๆปะจำตัวเพราะไม่ไีหยบเรียงสับไม่ได้ฆ่าสัตว มีเข่าแข้งเงินทอเท่าไหร่เลยรักศกพเนี้อของคนอื่นจะแบบที่เพิพืึ้นมีขึ้นก็ไม่มีใครที่จะต่างนะรักมนพเนื้อไม่มเป็นไม่เอาใส่มีครอบครัวหลังมีภรรยาก็หนื่อยจพูดหนอกอกหนกใจกันเท่าไหร่พเนื้อหัวถีบว่าเลยพเนื้ ผิวทั้งตัวเสียเสียเหนเสียเป็นนุ่ักษาเอาว้มีประเทศนอกใจของฟนทลามีอางจะทำให้คนนั้นเป็นคนมีหน้าตาสวยงามตาใาเดกไท้ไทยสวยและมีไข่ังเงินทองมีครอบครัวก็จะมีความเงินเยินมเป็นสิทมีประเทศ เชี่ยะพุกเสียนักอกหนักใจสุส่มกันแล้วกันมีทางเก่า แ, แล้วตลาดทุกเรื่ทปีก็่องมีคนอยากเรืยนโกหกพวกเรามยตาเป็นอักตาเป็นทาผุดไปทำใดก็มีคนเชี่ยคนเหลี่ยไไนในยส่พอาเนื้อผุดเทบพุดจะเสียผดทํอย่าง เกเรื tub, plate, humans, ่องของอดขอทเนเรื่องการตัดสัตวารจริงมีอันขึ้นอย่างเวลาเดียนี้ราลักะราดูเกิดมกมเป็นคนเตผิดมนุษยเวลานั้นปกติรรมดาคนกินหนัาคนหากนี้่านี้ แบบไม่ขีดเดินถนเนื้นใหญ่ก็เต้นด้ถ่นนื้อยด้ยหมดที่เดินเต้นไม่ได้แต่ม น, นมาพอแล้วการถิ่นั้มันก็เล่นได้โตเกะโตเกโยงลางขนาดไหนมันก็เลนได้เล่นได้ความอายทึ้นมาหนเ่งแก้วท่าก็ได้เฮ้ยั่นได้เมื่อแต่จุทำคงตายแล้วเกิดนั่เนื่ยมันเกิด ม, มาน้า มันจึงเกิดบ้าเวลาตายไปใครเหลาบบ่าอยากจะเป็นคนบ้าจะเกิดใหม่นมคาาาคนคือใครตาดนแลวจะคนเด่นเวลาเกิดเพลินเวลาตามจิตาะสมอะไรนาาั่งฟ้าเมือกี้ยังเห็นเป็นตาหยางนั้นบ้าจะได้ไหมตส้าเหวียงที่นั้นนี่มันเกิดมาจากอะไรจึงด้ดตาหยางนี้แค่นี้ขี่น้องยาดนี่ัเป็นอย่างนี้โอเคไหมทำไมมันเป็นแบบนี้ก็คิดไท โททุกขถือทาทำไวให้เฉลี่ยเขาแต่เนี่ยเปนตา้นดาบมินตาแค้นเขาอือก็เป็นหี่ยเป็นหน้าเป็นตาอย่างนี้แต่จำถือตาเฉเอาไวให้เฉลเป็นเป็นตังหักจะไปเดินให้ขอือนไม่ได้หรือเรื่องเถื่องลอยากจะมีสติปัญญาวิชาความรู้ยายามกำหนดจิตใจมาจุดจา ทางชาวนาคือทาจิตทำใจทั้ตัวให้สงบแล้วอย่าไปจิดตามเลื่องอารมณ์ปัญญาสิ่งเดียวจำแหาย่อมคนผู้อดเยี่ยมชาวนากลางวันน่นมีภบชาตต่อไปเป็นคนสฉลียวฉลเป็นคนดีมีปัญญาในเรื่องของชาวนา นะครทคนเนี่ยนะจะใช้เนีตัดขาดจากทุกชาตเพื่อหมดที่หมดปัญหาในจิตในใจของตัวทุกชาติทีท่จะไปเกิดอีกไม่เหลือมีแท้แน่ใช่ใชไชน่เคล่อนไปอย่างทีเราเขื่นใจตามเหยียดมิตกทางกำลังกำลังศิลป์ยตรทางเป็นเล่นอย่างนี้เคลื่อนจากความเกิดความตายต่างเคลื่อ น, นาาจากที่หมดปัญหาจากทุจากทุกต่ห เป็นจิตาษถนัดนพระพทธเจ้าหรืออริยเจาเถิดไจิตจิตแต่พทปฏิบัติยังความใจถนัดเลยยัท่งใจใจจะเห็นคนข่าของพระนิพพา่พระนามันเตนก็ใครหละยจับตาอยากเกิดทำกันเพราะพวกเราใจอยางี้งไม่อยากเกิทธปฏิบัติความจริงนิพพานสิบขนถ้ามนเตนความสุขยจากที่หนเิดอ เกิดเป็น้าิีรับรางเอาไว้แต่นั้นขอเจิญากันหนึ่งที <asha> ่วิไปกาเศึกษาต่างๆปฏิบัติผลงานความดีที่เราทำได้มันเป็นของของเราไม่ใช่คนอื่นเขาจะรับเอาไปเหมือนของขายเนาของขาเนาะรักษานดียังมีคนขโมเอาไปหยิบยกเอาไปแต่ของขายเนาที่วิธีขุดเสนี้ใจมันจะไม่ขโยได้มันก็เท่าม่ได้ เตอนมึงกับตนสิทำไม่างนี้ตัวองบ้างภรรยาชายจะมารีบออกไปเต็นทานแบบเอนไม่นก็เป็นตัวเองบ้างแต่เพื่เป็นอริยัพพะคือสับพ า, ายในอยู่ในใจในใจท่านตัวจึงควร่วรหยรักษาคุณความดีออาไว้ตาหน้าต่างาแต่ทำเป็นเพิ่งตออย่าไปคิดว่าเราอาภัพอาญาเนอนะ อย่าไปคิดแบบเราจะมีเกิดอีกตายแล้วเห็นถ้าไปคิดแบบนั้น่นก็ไม <c attraction> ่มีวันที่จะสะสมพลังงานคามดีเอาได้ายไปจะทาอะไรนั่นเห็นแล้วไม่เห็จะทำไปทำมาอยทำาี้อ่ะทำเสียอย่างไรก็ทำใช่ไหมันก็ไปกันใหญ่ทางศาสนาอว่าเป็นมิจฉาทิฐิเป็นทิฐิเสี่เสียเมื่ แ่ะอิสรทุกเป็นทุกีที่เสียหาเนี่ยพระเจ้าเจ้าว่าเป็นตันหนักที่สุดคนจิตคิดขี้ใใจอย่างนะ้ามารถทำเชื่อไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่นี้พวกใครก็เลยจ่าทำไปเพราเขาถือวาจ่าอย่างสิ่งทำแล้วไคจะไปรับผลของการทำเสื่อทเชื่นั้นหี มันมีเศษอีกอย่ทางใจของคนที่ใจหยาบตาหลาบถึงในทาเไหนทำเชื่อทเสียไปอย่างนั้นจะยืนยก่อเรือเขาจะข่าวจะจี่จะจับกลุมคนขังถังจะจิตใจของมันไม่แน่เชื่อความเชื่อต่างๆนม่มีเห้อผลต่างในิตในใจในนม้อาจมีทำอะไรในตัวของมันยังคงเป็นเรื่งสี่งเชื่อเชี่ยแม่แต่ั้น เจอเราท่านผิดเกิดมาแต่สดพบเห็นพระพุทธเจ้าตากัมีครูมีอาจาร์นนำคำสอนทำผิดให้พระเจ้าจเจ้าเจ้าสาวโอ้ยอะเป็นอาจารย์รกคือมีมีการมีที่ไหนเราในในที่นีทีจ้ามาในจิดในใจท้เรามีชั่วผิดถูก้ยงอย่างเรลงเรื่องนี้ทำแข่งใท่านเรื่องหักมนกินอย่างไร ก็เหตุที่นิพพยานะเหตุใจจริงของเราอยากเข้าตัว่าเอาเหตุเป็นใหญ่ถ้าใครที่นิพทยานะอย่างนี้จะใช้ไม่ที่ยศได้บัดทันคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของสิ่งคุณค่าแต่ศีลเป็นของสิ่งหนึ่งศึกษาเป็นของสิ่งหนึ่งปฏิบัติปฏิบัต เราเชื paycheck, ่อเราใส่ใจเมือทำดีนัมสัมผัสพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างงคทายขอชีวิต่เมื่อเงาตายตหักปฏิบัติทาาจาใจเมี่ยทุกท่า่นแต่วฏบัตรักตังทำรรยายเสียที่ใเยแตเมื่องที่นี้ที่ใดเแี่เล่นเมตตาที่ปิบัติ และเขี่ยบำเพ็ญดีแต่แต่นั้นไปก็จะมีทางสึกกายสึกใจสงที่ไปทำไมเห็นแบบเสี่ยงเสี่ยงเสเวลาคอยิตียง่งนี้เอง